พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้ลำดับที่สิบสาโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส6หธันวาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าไม่มีใครหนีภัยแห่งความตายได้วันนี้หลวงพ่อมาวัดพักที่วัดรวมพรมโดย พักมาพักแบบกระทันหันนะครับทศชายญญาโยมลูกหลานไม่ได้คาดคิดลวงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานเองว่าท่านเจ้าคุณปู่วัดโพธิสมพรพระอุดมญาณโมรีหลวงปู่จันสีจันททีโปเอ่อเจ้าเจ้าวาดวัดโพธิสมพรที่ท่านอายุร้อย ห้าปีสองเดือนสี่วันนะที่ท่านมรณาภาพนะร้อยห้าปีสองเดือนสี่วันอายุของท่านนะพรรษาของท่านบวชมาแปดสิบห้าพรรษาหลวงพ่อยังไม่เกิดยึงเป็นลอยลมยังเป็นดินฟ้าอากาศหลวงพ่อขนาดนี้แค่เจ็ดสิบสองปีท่านบวชมาตั้งแต่ท่านบวชมาได้แปดสิบห้าปี ยังทนทันยุคลงปูมั่นนั่นเป็นองท่านยังได้กราบลงปู่มั่นที่สกลนครทันวันนะตามประวัติของท่านท่านซึ้งใจแต่ในท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะภาคที่วัดโพธิสมพรจากนับกันเป็นพระอุธรรมโมรีรองสมเด็จนะตามตามตามตำแหน่งนะท่านก็อายุถึงขนาดนะท่านกับ แต่ว่าป่วยได้ยังไงเธอนี่ยชราภาพพูดอย่างนั้นอ่ะเอพอชราเข้ามาแล้วกัความแก่อความแก่เข้ามาแล้วกัความเจ็บใครได้ป่วยก็ตามมานินดๆน่อยๆกันนะเป็นวัดเป็นไอ้กับใช้ทั้งหมดอ่ะเธนี่มันมาหลุมมาตุ่มเลยพอมันแก่เข้ามาละนี่ยหละเมื่อทันก็ได้มรณภาพที่โรงพยาบาลจุฬา กรุงเทพมหาคนครเมื่อวานนี้ก็ได้นำศพองค์หลวงท่านสรีระของท่านขึ้นมาจากกรุงเทพมาทางรถรถพยาบาลหลวงพ่อก็ได้ออกมาแบบกระทันหันอย่างที่ได้เรียนให้อาณรรธธ า, าจัญาติโยมลูกหลานได้ทราบนะนะแล้วก็ออกมาพอฉันยังหันเสร็จแล้วออกมาเพื่อจะมาเตรียมการ เข้าห้องประชุมว่าจะจัดงานยังไงแต่หลวงพ่อมาไม่ทันเมื่อวานพ่อ ม, มาติดอยู่ที่บ้านผือมาทำธุระที่บ้านผือหน่อยหนึ่งกลับมาก็เสร็จแล้ว ก, การประชุมของพระทสงฆ์แต่หลวงพ่อเมื่อวานเมื่อวานวันที่15ใช่ไหมนะวันที่15บาเนี่ยเอานำจะดีละของท่านขึ้นมาวันที่สิบ้าธันวาคม พุทธศักราช 2,559 แต่ท่านมรณภาพวันที่14นะคับณัทยาญาติโยมท่านมรณภาพวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช 2,559 เวลา2ทุ่มนะที่ท่านมรณาภาพที่จุลาแต่เป็นวันพระพอดีนะวันนะโดยมากครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่น โดยมากท่านจะมรณภาพวันพระนะให้สังเกตสังเกตดูที่ผ่านๆมาหลวงปู่ลาก็ตามคุณบาอาจารย์หลายๆองค์โดยมากจะมรณภาพวันพระสิบห้าค่ำวันที่สิบสี่ตรงกับสิบห้าค่ำขึ้นคำ่ำแรมสิบห้าค่าเดือนหนึ่งเมื่อวันที่สิบี่แรมสิบห้าค่ำเดือนหนึ่ง ปี59แปลว่าปีสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะเดือนธันวาถ้าว่าเป็นสุริยคติเขาไปว่าสุดท้ายสุดท้ายของของปีแต่จันทรคติคือนับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเดือนแรกเป็นวันเป็นเดือนหนึ่งเลยละ่ะอ่าเป็นเดือนหนึ่งทันรารรณะภาพนะ จากนั้นก็ศนะนำสลีละของท่านมาเมื่อวานมาถึงวัดโพธิสมพรก็ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นตรงพ่อเขาไม่ได้ดูนาฬิกาเขาไปยืนคอยรับสรีละของท่านเข้ามาทางประตูใหญ่วัดโพธิสมพรแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาคเก้าัดแสงอรุณเจ้าคุณสมาน แต่หลวงพว่อกระําตำแหน่งท่านไม่ได้เหตุนั่นของท่านละนเจ้าคณะจังหวั ด, คดคะคสกอสะคนนครเจ้าคณะจังหวัดกาลสิน์โอ้มีพระธีรผู้ใหญ่มามากเมื่อวานเนี่ยฝ่ายปกครองนะว่าท่านลูกปู่ท่านเป็นฝ่ายปกครองเนะ่คือข่ายของท่านก็เข้ามาพอมาถึงแล้วก็มาถึงหน้าโบสถ์ก็มีขันดอกไม้อ ดอกไม้เทียนแพรเขากอมอบให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาคนำขันดอกไม้พญาะจะโจนตามไปเอาดอกไม้ไปถวายพระพุทธปฏิมาคือพระพุทธรูปที่โบสถซะก่อนนะแล้วก็จอดสรีิละของหลวงปู่หันศีรษะไปทางทางพระประธานในโบสถ์จอดอยู่หน้าโบสถ์เสร็จแล้วก็ให้ท่านเจ้าคุณนำ อศรัทธาเจโยมนําดอกไม้ขึ้นไปกราบพระประธานคือไปกราบแทนหลวงปู่พูนง่ายๆหลวงปู่มาถึงวัดแล้วแต่หลวงปู่ขึ้นโบสถ์ไม่ได้เพราะสริละของท่านหันชีสากไปทางพระประธานถ้าเคารพพระประธานอยู่แล้วนะหลวงพ่อก็ศรัทธาเจโยมก็ได้นำํำดอกไม้อีกผุ่มดอกไม้อีกขึ้นไปครวะ เจ้าคุณธรรมจดีที่เป็นพระอาจารย์ของท่านที่เป็นผู้มาเริ่รมสร้างวัดโพธิสมพรที่เป็นพระอุปชาขององค์หลวงตากุบายอาจารย์ฝ่ายธรรมทานก็คือเจ้าคุณธรรมจดีเป็นผู้ใหญ่แจ้าค่เจดีใหญ่นี่ก็เท่าคุณปู่นี่ก็สร้างเพื่อบรรจุอธิธฐานของหลวงปู่ธรรมจดีนั่นแหะเจดีวัดโพธิสมพรแล้วก็บรรจุบพ ร, ร, รมสารีนิกธาตุเป็นเมืองสูง แต่นั้นหลวงพ่อเองได้นำพุ่มดอกไม้ขึ้นไปคาระวะแทนหลวงปู่ไปกับเจ้าคุณธรรมเจดีที่โบสถ์นะจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ยืนเรียงกันประนมมือรับศพหลวงปู่ศรทัทธาญาติโยมก็นั่งอีกฝากฟังหนึ่งเพื่อให้รถเดินเดินผ่านหลวงพ่อกับท่านเจ้า ค, คุณที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็เดินนำหน้า สี่ห้าองค์รถก็เดินรถศพพระศพองหลวงปู่ก็เดินด่านตามหลังไหลมาตามหลังรถขยับมาตามหลังพอมาถึงพระเจดเีพระเจดีก็มีพุ่มดอกไม้ก็ให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้นำพุ่มดอกไม้ขึ้นไปกราบคารวะพระเจดี ที่พระบรมสารีริกธาตุและก็มีลูกของครูบายจานอยู่ในนั้นอยู่ในพระเจดีย์คือครยๆก็ว่าเอาแทนหลวงปู่แทนหลวงปู่ใหญ่ท่านอยู่ในรถลูกศิษย์พวกเราเนี่ยเอาถือขันดอกไม้ถ้าท่านมาก็ท่านก็คงคยกขึ้นไปกราบพระพุทธโูปกราบสกคุขนามาเจดีย์กราบพระเจดีย์ ลักษณะอย่างนั้นแหะพวกเราได้เอาพุ่มดอกไม้ขึ้นไปกราบบนพกกระเจดีย์เสร็จแล้วก็นําำสรีระของท่านขึ้นมาที่ศาลาแปดสิบศาลาหลังนี้ท่านก็สร้างขึ้นมาเพื่อเนเพื่อการนี้แหละหลวงปู่สร้างขึ้นมาอย่ากท่านเอาขึ้นมาแล้วก็มาวางเสร็จแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็จะท้าญาติโยมขึ้นมาพระสงฆ์ขึ้นมาพร้อมกันแล้วท่านเจ้าคุณสมาน เจ้าคณะภาคแปดวัดแสงอรุณท่านเป็นนั่นท่านเป็นประธานก็ให้ท่านกล่าวคำคารวะ อ, อพวกเราได้ประม า, าพทพลาดพังหลวงปู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งใดก็ตามขอหลวงปู่เปิดโปรดอโหสิกรรมให้แก่พวก เ, เราท่านทั้งหลายด้วยพวกเราก็พร้อมที่จะ อ, อมีอะไรก็พร้อมที่จะ อ, อโหสิให้หลวงปู่อีกเหมือนกันนั่นแหละ อ, อ ถ้าวันลูกหลานได้ถ้าท่านได้ดูดด่าว่ากล่าวจิงใดก็ตามน่อันนี้ก็คือทํากิจกรรมเมื่อวานนี้จากนั้นก็ได้ลดน้ำสงของท่านแต่หลวงพ่อเองก็เด่นแนะนำกับพวกคณะศรัทธาญาติโยมว่าเรื่องสริลักษณ์ขององค์หลวงปู่เนี่ยที่เราเคยทํากับองค์หลวงตาหรือว่าพระบาทชนเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทากับ พ่อพรมสมเด็จย่านะท่านก็ไม่ได้ให้ใครเข้าไปลดจริละของพระหัตของพระ อ, องค์มีภูสายโยงออกมาแล้วก็ลดน้ำภูสายโยงแต่หลวงตามหาบัวก็เหมือนกันหลวงพ่อเขาบอกหอลวงตาเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่เมื่อท่านล่วงลับไปลยลูกหลานมกอกแม่แก๊กพระเนน เข้าไปกับไปลดมือของท่านดูๆมันขาดความเคารพนะแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ให้ใครไปลดน้ำมือของท่านเพราะนั้นควรจะมีภูสายโยง อ, ออกมาออกมาจากองค์ท่านแล้วก็มาลดน้ำมาส่งน้ำที่ภูสายโยงเรียงกันเลยเทั้งสีหขันใครๆก็ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกับเข้าไปลดองหลวงปูหลวงตาโดย ด้วยตนเองควรจะมีผูสายโยงออกมาเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้บอกให้พระพระท่านก็ได้ทำผูสายโยงสายสายสินมีได้ออกมาขมาพวกเราก็มาสงที่ผูได้สายสีนนั้นไม่ได้สงในองค์ไม่ได้มือท่านมันดูๆแล้วมันพระเนลูกเล็กเด็กแดงของเราเหมือนกับ ตีเสมอเกินไปหลวงพ่อว่านะถึงยังไงพวกลูกเร า, ล, ราลูกหลานควรจะแสดงความเคารพคารวะในศรีระของท่านเมื่อวานก็ได้ทำนะแต่ที่หลวงพ่อออกมาเขาก็มีประกาศว่าวันนี้เมื่อศรีระมาถึงแล้วก็ส่งน้ำเป็นบางส่วนแล้วก็วันนี้ก้านาฬิกาจะมีการ เมื่อฉันจังหารศิลประสงค์จะได้ทำพิธีพร้อมกับคณะสัายาโยงครวะท่านจุคุณปู่จุคุณจุกปู่ของเราแล้วก็เวลา1 7บเศนนยอน้ำาหลวงน้ำอาบศพของหลวงปู่จะมาถึงเขาคงจะทำพิธีจากนั้นเขาคงจะเอาหลวงปู่เข้าบรรจุในเหบ็บลอกศร ห, หีบหรือหัวโกนะหรือหีบทองนะจุดแท้แต่นะยังไม่มียังไม่ชัดเจนน ะ, ะจากนั้นก็หลวงพ่อเองก็ได้คิดว่าอึ้งทาวันเราฉันอยู่ที่วัดคงมาไม่ทัน เ, เราควรจะออกไปพักที่วัดรวมธรรมผม ก, ก้านหน้าก้านานติกา เ, เราก็คงจะเข้าไปกราบคารวะสรีรละของหลวงปู่ท่านเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจเมื่อวนันออกมากันเลย ออกมาจากวัดเคยคิดว่าไปทําไปกราบคารวะหรือว่าประชุมที่วัดโพธิสมพรเสร็จแล้วนะ อ, อลุงพ่อก็จะมาพักที่นี่วันนี้ก็จะเข้าไป อ, อกราบคารวะพร้อมกับพระสงฆ์แต่ที่ไหนได้พอมาแล้วท่านจะคุณมาจากวัดต่างๆจากกาลสินจากสกล น, นครจากขอนแก่นที่ไหนๆถ้าหากว่าไม่กราบคารวะ เล้วพระท่านจะมาวันวันนี้ท่านก็กลับมาอีกเป็นรอบสองท่านก็เลยพาทําเลยเมื่อวานก็เลยได้กาบคารวะพร้อมกันคณะสงฆ์เจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วหลวงพ่อก็ได้กาบคารวะเมื่อวานนี่แหละไปว่าการกาบคารวะนี่จบแล้วนะวันนี้แล้วก็วันนี้หลวงพ่อเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็คงจะไปไประชุมเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับทหารน่ะ ที่น้องบัวลำพูแล้วก็คงจะกลับมาประมาณสิบเจนาฬิกาแล้วก็คงจะมารับอาบน้ําสงศ์ของหลวงปู่จากนั้นหลวงพ่อก็คงจะกลับวัดละทีนี้แล้วก็คงจะคอยฟังมีการประชุมหาหรือเรื่องอะไรจะจัดงานยังไงจะเรืของหลวงปู่จะเก็บไว้นานเท่าไรจะประชุมพระราชทานเพลิง เ, เมื่ อ, อไรนั้นจะค่อยว่ากันแต่ถีงยังไง ขอประกาศให้คณะสถ า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนในรับปูรับราบแต่ถึงยังไงงานใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นหละให้ช่วยๆกันคิดในจุดนี้อีกเหมือนกันให้ช่วยกันดูแลเพราะว่าจะตุกปัจจัยค่าโลงค่าอ า, าหารค่าถวายผ้าไตรผ่าอะไรมีอะไรน่ะคงจะมีในงานจบจริระใหญ่ข้นขนาดนี้ แต่ตามไม่จริงเมื่อวานนี่ก็น่าจะมีตู้ตั้งโต๊ะไว้อีกเหมือนกันนะตั้งตู้ไว้ตู้บริจาคก็เผื่อว่ า, า, าศรัทธาญาติโยมมาจากถิ่นไกลมาถึงแล้วก็อืเราอาจจะไม่ได้มาได้เราควรจะตั้งตู้บริจาคไว้สําหรับคนที่มาถิ่นไกลเพื่อจะได้หย่อนตู้เสร็จ แ, แล้วจําคงจะไม่ได้มาอีกนู่นงานศพนั่นแหละจึงจะได้มาอีกเนะี่ย ก็ให้ได้ได้ทำบุญให้ได้ทาบุญไว้ก่อนเพราะว่างานของหลวงปูนะ่เนี่ยมันจำเป็นนั่นแหละจะต้องได้ใช้จะตุปัจจัยหลวงพว่อไม่ได้พูดเมืองงวานเลยเพราะว่าสัทธาญญาติโจมมาไม่ใช่มาแต่ในถิ่นใกล้วันนี้แหละคงจะหลังไหลมานะถ้าหลังไม่ไหลมาก็ควรจะมีทู่บริจัคลหลายใบยเรียงเรียกันไว้เพื่อว่า บริจาคเต็มแล้วก็เออเอาต่ช่วยกันเก็บมีคณะกรรมการอย่างชัดเจนแต่ที่ยังไงหลวงพ่อเขามั่นใจท่านผู้ว่าอำนาจประการัฐอดีต ท, ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็เป็นวัยยาวัจกรของวัดโพธิสมพรแล้วก็เสียต้มที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นผู้ดูแล ว, วัดโพธิสมพร อ, อยู่แล้วหลวงพ่อเองก็คิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านวัดโพที่สมพรเป็นวัดพ่อวัดแม่วัดปู่วัดทวดของพวกเราของพี่น้องชาวอุดร น, นะทุกอย่างก็คงจะไปได้ดีแต่หลวงพ่อในฐานะที่พระลูกพระหลานของท่านอยู่ในป่าหลงพงไพ่ก็มีอะไรหลวงพ่อก็พร้อมที่จะน้อมรับที่อันไหนที่พอจะช่วยเหลือกันได้พอจะช่วยกันได้ ก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่แต่ถึงยังไงก็ช่วยกันคิดเนะนี่ยแหละคณะสัทยา ญ, ญาจโยมลูกหลานพูดเรื่องกล่าวเรื่องงานมรณะภาลสีสลีละขององค์หลวงปู่ที่ท่านจากไปแต่ที่มาพูดมีแต่พูดเรื่องเรื่องของท่านนะ ม, มีแต่มาพูดเรื่องของท่าน ถึงหลวงปู่จะมีบุญหนักสักใจเป็นพระเถระผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามีบุญวาสนาบารัรลังกก็ไม่มีที่จะหลีกลีหนีพ้นมรณะภัยไปได้จุดนี้จุดนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีมรณะภัยคือความตายไปได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามภูรู้แจงโลกหอเหินเดินฟ้าได้ดาดินบินบนได้มีบุญบาลมีมี ขนาดนั้นพระ อ, องค์ยังไม่พ้นมรณะภยัยคือความตายาาพระสาวกทั้งหลายโมกขราสาริบุตรกัจปะอาโ น, น์มีพระหมหาเทระล้วนแล้วแต่เป็นผู้เป็นผู้มีบุญหนักจักใหญ่ก็ไม่มีใครที่จะหลีกลีน่นงมรณะภัยไปได้องหลวงตาก็เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านก็ไม่มีคร ท่านก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันมาถึงหลวงปู่นะท่านก็ไม่พ้นแล้วเราเป็นใคร <c oughs> แต่ในถามมาถึงเราท่านนะเราเป็นใครเอ่อเราจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมเออใช่ในเมื่อไปเผาคนอื่นเออไปไประชุมเพงคนอื่นเออไปพระราชทานเพงคนอื่นไปเผาคนอื่นเออแต่อีกสักวันหนึ่งนะเราจะมาเขาจะมาเผาเรานะ เหมือนกับที่นหที่ท่านพาไปนั่นะเราจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมเราจะเป็นผู้วิเศษจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ัหมมีแต่ไปเผาคนอื่นใช่ไม้มไม่คิดว่าเขาจะมาเผาตนเองเลยใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอาความตายมามาครูกันมาพูดกันเอาความจริงมาพูดให้กันฟังแต่โดยมากคนไม่ชอบไม่ยอมรับความจริงนะปฏิเสธ แต่ความจริงแต่ตามไม่จริงเนี่ยทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้มากกว่านั้นไปอีกเห็นไหในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาดูแล้วนะมันไม่ใช่ตายแล้วก็จบไปนะถ้าคนคูกวันนี่ออพอคนคูกวนันนี่ตัวเอ ง, เองไม่ได้ทําคุณงามความดีตายแล้วศูนยะ์่เออตายแล้วมันเห็นหายเงียบไปเลยไม่เห็นมีอะไร อ, อแต่ก็าบอกลัวผีไล้หร อ, อถ้าเราตายแล้วศูนย์เขว่าศูนย์ไปเลยไม่มีผีใช่ไหมกัน ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็กลัวผีอีกเหมือนกันให้ไปนอนป่าชา้าให้ไปนอนที่ไหนก็ไม่กล้าไปอีกเหมือนกันนะเพราะกลัวผีเอาถ้าวันตายจริงมันมันศูนยญจริงมันก็ศูนย์ไปเลยไม่น่าจะกลัวผีแนตะอแต่นี้ยมากลัวอยู่ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาเราตายแล้วไม่ศูนย์นเอก่อนเทว่าไม่ศูนย์คํานี้แหละท่นี่งมันร่างกายเนี่ยเผาไฟทิ้งจริงอยู่ อแต่ร่างกายเยแต่ดวงวิญญาณคือใจคือนามธรรมนจุดนั้นล่ะมันออกจากร่างไปเนี่ยพอออกจากร่างไปเนี่ยท่าใจดวงนั้นน่ะเอในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพุทธะทว่าตายแล้วเนี่ยเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างนั้นน่ะใจดวงนั้นมีบุญไหมใจดวงนั้นมีเงินไหมผูดใหญ่ใหญ่บุญเน่ะเปรียบจะเหมือนกับเงินก็นแล้วกันนะเองเงินนะใจดวง น, นั้นออกจากร่างนี้ออกจากรถคันนี้ล่ะ ร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถถ้ารถคันนี้มันเก่าชร า, าค่ําค่าแล้วเอมันตายแล้วสินะมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันแก่แล้วเนี่ยมันผุมันพังหมดแล้ว่ทีนี้คนขับรถจะไปเฝ้ารถอย่างนั้นก็นไม่ได้นี่ออกจากรถรถคันนั้นก็ออกเผาไฟทิง้งไงเผาไฟเผาไฟทิงนะ้งไงซูเฟอร์ออกจากรถนะซูเฟอร์มีเงินไหมเน่จุดนี้แหละเป็นจุดที่สําคัญ พวเราจะต้องคิดล่วงหน้าไปก่อนทางว่าโซเฟอร์มีแต่กินเหล้าเมายาตาปื๋อยู่ทั้งทั้งหวีทั้งวันเ อ, อไม่ได้คิดอ่านอะไรเลย เ, นยเ อ, อนี่แต่ขับรถคันนี้ขี่ไปตลอนตลอนที่นั่นที่นี่เที่ยวไป เ, เพราะในสุดรถคันนี้มันพังเพราะใช้ไปนานพอโซเฟอร์ออกจากรถยไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่ได้คิดอะไรเลยและซเฟอร์คนนั้นอ่ะจะไปซื้อรถรถคันอื่นอีกได้ไหมพวกเราว่า เพราะเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดวางแผน เ, เะเพราะใ น, นสุดโซเฟอร์คันนั้นก็โรเซอโซเฟอร์รถคันนั้นก่อนออกจากรถคันนั้นกับไม่รู้จะไปที่ไหนเลย เ, เห็นที่ไหนก็มุดเข้าไปเลยไปหาขออยู่ขอกินไปเรนะื่อยเพราะใ น, นสุดออกจากร่างมนุษย์ไปไปเกิดเป็นหมาเนี่ย เ, เป็นหมาเป็นนกเป็นได้ทั้งนัดหมูหมากาไกา่ช้างหมาหัวควาย พวกสัตว์ชลายสิงไปได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะดวงวิญญาณ น, นั้นไม่มีเงินดวงวิญญาณ น, นั้นไม่มีบุญเ อ, อมันพาไปต่ําเพราะไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแต่ถ้าว่าดวงวิญญาณไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเอาเธอเกิดมาทั้งสีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว ถึงเราจะไม่เชื่อในจิตใจก็เถอะเราก็เชื่อในครูบาอาจารย์ไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เป็นคนดีพวดง่ายๆสรุปแล้วก็คือดีนะั่คืออะไรเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่คิดค่าคนอื่นไม่ขโมยคนอื่นเคารพในสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นอันนี้ก็คือดีศีลห้าแท้ ดีสีท่านะี่ยกันน่าจะเพียงพอแล้วหรือ ม, มากกว่านั้นอีกใช่นี่แหละอันนี้คือดีอไม่ใช่แคให้ทานอย่างเดียวนะไม่ใช่เงินควักจากกระเป๋าลงมาให้ทานอันเดียวดีไม่ใช่นะพอให้ทานเสร็จแล้วยังไปฆ่าสัตว์ยังไป ข, ไปขโมยทรัพย์ยังไปประพฤติผิดในการมยังไปกินเหล้าอย่างอันนั้นไม่ใช่คนดีนะอถึงจะให้ทานมากขนาดไนะหนกดเร็วยังจัดว่าเป็นเลวอยู่ ดีนี่คือดีของพุทธศาสนาคือสินห้านะนี่แหละนี่แหละสินห้าเนี่ยเป็นเครื่องปิดอบายยปูมิไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้เกิดเป็นสัตว์ทาาี่ไร้ฉันมิจะไปทางดีเท่านั้นสินห้าของพระพุทธเจา้าเพราะฉนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยหลวงพ่อเนี่ยบอกเนี่ยมิจะให้ควักเงินในกระเป๋าออกมาทานนี่แหละคือดีไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นดีของพุทธเจา้าน่ะคือศินห้าไม่ฆาสัตว์ ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเนี่ยคือคือดีของพระพุทธเจ้าจากนั้นสิ่งที่ประกอบไปคือควรจะมีทานนะการอยู่ด้วยกันเออถ้าไม่มีทานไม่มี ม, มีมีน้ำใจต่อกันไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ะในเมื่อออกจากร่างเนี่ยบุบุญกุศลที่อันในสงทานก็ดีอันในสงสินก็ดีจะเป็นเพื่อนสองลสเลยสิเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าเลยสิแล้วจะไปที่ไหน เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปเลือกเกิดเกิดได้เอ้ยชาตินี้เราเกิดมาเป็นลูกชาวนาไว้ทุกข์ยากต่อไปเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นลูกคนรวยๆในเมืองอที่เขารวยแล้วเนะ่ะเราไปเกิดเลือกไปเลือกเกิดที่ไหนได้ทั้งนั้นพอเรามีบุญอตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ได้ถ้าเรามีบุญ เอาเถอะเกิดมาพบที่ชาเนี้มันเหมือ่อยนเหนื่อยแล้วคงจะไปพักบนสวรรค์สักก่อนวะ่ะแล้วก็ไปเป็นเทวดาชั้นไหนก็ได้เอาถอะถ้าเราภาวนาได้ชัพผู้ภาวนาได้ได้ฌานได้สมาธิเราไปเกิดไปอยู่ไปไปพรมไปเกิดเป็นพรหมไปพักผ่อนที่พรหมสัก่อนอยังค่อยมาเกิดเป็นมนษุษย์มาค่อยบํา ม, บ, มาบามเพ็ญต่ออีก อันนั้นก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีบุญะนี่แหละดวงวิญญาณมีบุญกับดวงวิญญาณมีบาปมันต่างกันอย่างกันนะขันธ์ทายาทโยมลูกหลานอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นการสุดตงสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาเลยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกอไม่ดับไม่สูญไปไหนนะเอาวิญญาณคือตัวผู้รู้ตัวนามธรรมเนีลยที่ว่าตัวเขาเรียกว่าสมองเนี่ย ความคิดเนี่ยตัวนี้เราไม่ตายออกจากร่างเนี่ยไปเกิดที่อื่นที่ใหม่ได้ปฏิสนธิที่อื่นได้ในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้ความสำคัญหรือยกเป็นพุทธภาิีเป็นพระบาลีว่มามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ รถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขับรถแล้วจะไปชนกำแพงก็ได้ไปชนต้นไม้ก็ได้เอาลงข้างกะนุถนนก็ได้เอาลงน้ำก็ได้เอาลงเหวก็ได้เพราะว่าโซเฟอร์เนี่ยเป็นใหญ่ในรถคันนี้นี่ก็เหมือนการใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ าพวกเราศึกษานะในจุดนี้นะวิชาในโลกนี้มีมากวิชาของพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ออหรือภพหรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวิชาทีเออ่เป็นวิชาที่สูงส่งกว่าวิชาทางโลกทั่ ว, วไปพูดอย่างนั้นไม่น่าจะผิดเลยนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาละพอ น, นั่ น, นี้นะ